จากหลักฐานในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้ดูนี้ชี้ให้เห็นแต่เพียงว่าโลกนี้ได้เคยพินาณด้วยไฟมาแล้วโดยการปรากฏของพระอาทิตย์หลายดวงไม่บอกว่าโลกนี้เคยพินาณด้วยน้ำหรือด้วยลมอย่างไรแต่ในคำพีวิสุทธิมัตในตอนที่อธิบายเรื่องบุเพนิวาสานุสติยานาน ท่านได้กล่าวไว้ดังนี้สังวัตกับกับพี่นาฏตามหลักในคำภีวิสุทธิมักสังวัตกับมีสามอย่างคืออาโปสังวัตกับกับที่พินาฏด้วยน้ําเตโชสังวัตกับกับที่พินาฏด้วยไฟวาโยสังวัตกับกับที่พินาฏด้วยลมสังวัตสีมา เขตแดนแห่งความพินาศเมื่อเวลากับพินาศนานเขตที่จะพินาศเมื่อกล่าวโดยส่วนสูงมีอยู่สามเขตคือพรมชั้นอาภัสราสุภากินอาหาและเวหับพลากล่าวคือเมื่อกับพินาศด้วยไฟโลกภายใต้ตั้งแต่ชั้นอาภัสราลงมาถูกไฟไหม้สิน้นเมื่อกับพินาศด้วยน้ำ โรคภายใต้ตั้งแต่ชั้นสุภากินอหะลงมาละลายด้วยน้ําหมดทั้งสิ้นคือถูกน้ําท่วมหมดเมื่อกลับพินาศด้วยลมโรคภายใต้ตั้งแต่ชั้นเวหาพลาลงมาถูกทําลายไปด้วยลมทั้งสิ้นแต่เมื่อกล่าวโดยส่วนกว้างโรคในเนื้อที่พุทธเกษตรหนึ่งย่อมพินาศทุกครั้งไปพุทธเกษตรสาม พุทธกเกษตรมีสามอย่างคือชาติกเกษตรอาณากเกษตรและวิสยัยเกษตรในพุทธกเกษตรสามนั้นชาติกเกษตรวิบเขตหมื่นจักรวาลซึ่งเป็นเขตที่ไหวเช่นแผ่นดินไหวในเพราะเหตุอัศจรรย์ทั้งหลายเช่นมีการถือปฏิสนธิแห่งองค์พระตถาคตเจ้าเป็นต้น อาณากเกษตรมีขอบเขตแสนโกรธจักรวาลซึ่งเป็นเขตที่อนุภาพแห่งพระปริศเหล่านี้คือรัตนปริศขันธปริศทชักข้ปริศอาตานาติยาปริศและโมระปริศเป็นไปคือเวลาที่สวดพระปริศเหล่านี้อนุภาพของพระปริศเหล่านี้จะแผ่ไปทั่วถึงแสนโกรธจักรวาล ส่วนวิสัยเกษตรนั้นมีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีปริมาณดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าสามารถพูดให้แสนโกดจักรวาลได้ยินดูก่อนอาโนนตถาคตเมื่อมีความจำนงจะพูดให้โลกธาตุแสนโกดจักรวาลได้ยินเสียงก็ทำได้ หรือจำงจะให้ได้ยินแค่ไหนเท่าใดก็ทำได้พระอานนทูลถามว่าด้วยวิธีการอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนอานนท์ตถาคตอยู่ในที่นี้แหละแต่ก็สามารถที่จะแผ่รัศมีไปทั่วแสนโกฎโลกธาตุเมื่อสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฎโลกธาตุเหล่านั้นได้เห็นแสงสว่างนั้นแล้ว ตถาคตก็บรรลือเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินเสียงได้อันหนึ่งขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคำว่าโลกธาตุและจักรวาล น, นั้นถ้าพูดถึงตามหลักวิชาดาราศาสตร์ในปัจจุบันคำทั้งสองนี้มีความหมายไม่เหมือนกันเช่นคำว่าสุริยะจักรวาลหมายความว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่นี้ มีดาวนพระเคราะห์หมุนรอบอยู่กี่ดวงเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าสุริยะจักรวาลหนึ่งและในบรรดาดาวทั้งหลายในท้องฟ้าที่เราเห็นเป็นแสงระยีประยับนั้นนักดาราศาสตร์เขาบอกว่าความจริงก็คือดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่า ดวงอาทิตย์ในท้องฟ้านั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนและที่เห็นเป็นดาวนั้นก็เพราะมันอยู่ไกลมากคือมันไม่ได้อยู่ในสุริยะจักราวาลของเรานี้แต่มันอยู่ในสุริยะจักราวาลอื่นๆและดวงอาทิตย์แต่ละดวงนั้นโดยปกติก็จะต้องมีดวงจันทร์หรือมีดาวนบประเคราะห์อื่นๆเป็นบริวาร เช่นเดียวกับสุริยะจักรวาลของเราคําว่าจักรวาลตามหลักของดาราศาสตร์ในปัจจุบันมีความหมายดังที่กล่าวมานี้ส่วนคําว่าจักรวาลหนึ่งตามหลักในคาพีของพุทธศาสนานั้นหมายถึงโลกธาตุอันหนึ่งเช่นโลกเรานี้ก็ถือว่าเป็นโลกธาตุอันหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นจักรวาลอันหนึ่งก็ได้ เพราะคําว่าจาั ก, กรวาลกับคําว่าโลกธาตุนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันฉะนั้นโลกของเรานี้ก็ถือว่าเป็นจั ก, กรวาลอันหนึง่งหรือเป็นโลกธาตุอันหนึง่งอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคําที่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถตัดให้ได้ยินกันไปทั่วแสนโกดจั ก, กรวาลหรือแสนโกดโลกธาตุนั้นก็คิดเอาเองก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่โลกมนุษย์นี้แต่ก็สามารถจะพูดให้ผู้ที่อยู่ในดาวดวงอื่นเช่นที่โลกพระจันทร์หรือที่ดาวพระฤหัสบดีดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์เป็นต้นให้ได้ยินได้และไม่ใช่เฉพาะแต่ในสุริยะจักรวาล น, นี้เท่านั้นแม้ในสุริยะจักรวาลอื่นๆก็สามารถทําให้ได้ยินได้ด้วยอันหนึง่ง คำว่าสัตว์ทั้งหลายในที่นี้จะหมายถึงพวกโอปะปะติกะทั้งหมดซึ่งโดยธรรมดาโลกหรือดวงดาวที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตยอยู่เลยแต่พวกโอปะปะติกะก็สามารถที่จะอยู่ในโลกหรือในดวงดาวนั้นๆได้เสมอหรือว่าในดาวดวงอื่นๆหรือในสุริยะจักรวาลอื่นๆก็มีมนุษย์ มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากจะพูดถึงหลักฐานจากพระไตรปิฎกแล้วก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์ในโลกอื่นหรือในจักรวาลอื่นมีเหมือนกับในโลกมนุษย์แต่เมื่อพิจารณาดูถึงเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็ทำให้เชื่อได้ยากว่ามนุษย์ในโลกอื่นมี เพราะจากข้อความในพระไตรปิฎกตอนนี้มีหลายอย่างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากล่าวไว้ผิดแน่ดังเช่นข้อความที่จะคัดลอกออกมาให้เห็นดังต่อไปนี้ หลักฐานในพระไตรปิฎกที่แสดงว่ามีมนุษย์อยู่ในจักรวาลอื่นจุลนีสูตรครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้สะดับได้รับมาต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า อาโ น, นสาวกชื่ออภิภูของพระสีขีพุทธเจ้ายืนอยู่บนพรหมโลกย่อมให้พันโลกธาตุได้ยินเสียงได้ดังนี้ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระราหันตสัมมาสัมพุทธะทรงสามารถตรัสให้โลกธาตุได้ยินพระสุริเสียงได้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พระอภิภูนั้นเป็นสาวกอานนนพระตถาคตทั้งหลายใครจะเปรียบประมาณมิได้ท่านพระอานน์ได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองเหมือนครั้งแรกพระองค์ก็ได้ตรัสตอบเหมือนอย่างครั้งแรกพระอาโนนจึงได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สามพระองค์จึงได้ตรัสถามว่าเธอเคยได้ฟังหรือไม่อานน์ เรื่องสหสีจุลานิกาโลกธาตุคือโลกธาตุชนิดเล็กมีโลกธาตุรวมทั้งหมดพันโลกธาตุข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกาละข้าแต่พระสุคตเป็นกาละซึ่งพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้ ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพระอานนนรับสนองพระพุทธพจน์แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงเรื่องโลกธาตุว่าอานอน์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงทำให้สว่างไปทั่วทิศ ต, ตลอดที่มีประมาณเท่าใด ในเนื้อที่ซึ่งมีประมาณเท่านั้นคือในเนื้อที่ที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ส่องแสงไปถึงนั้นมีโลกธาตุจำนวนพันโลกธาตุในพันโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาสิเนรุอย่างละพันมีชมพูทวีปอมรโครยานทวีปอุตระกุรุทวีป ปุภาวิเทหทวีปอย่างละพันมีมหาสมุทรมีมหาราชอย่างละสี่พันมีสวรรค์หกชั้นและพรหมโลกหนึ่งพันนี้เรียกว่าสหสสีจุลานิกาโลกธาตุคือโลกธาตุอย่างเล็กมีพันโลกธาตุสหสีจุลานิกาโลกธาตุมีโลกธาตุอยู่เท่าใด เมื่อคูณด้วยหนึ่งพก็เรียกว่าทวีสหัสสีมาชิมกาโลกธาตุคือโลกธาตุอย่างกลางมีล้านโลกธาตุทวีสหัสสีมาชิมกาโลกธาตุมีโลกธาตุอยู่เท่าใดเมื่อคูณด้วยหนึ่งพันก็เรียกว่าติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุคือโลกธาตุอย่างใหญ่มีแส น, กนโกดโลกธาตุ อานอนนตถาคตเมื่อมีความจำนงจะพูดให้ติสะหัสศีมหา ส, สีโลกธาตุได้ยินเสียงได้หรือจำนงเท่าใดก็ได้ด้วยวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าตถาคตอยู่ในที่นี้จะพึ่งแผ่รัศมีไปทั่วติสะหัสศีมหาสถาน ส, สีโลกธาตุเมื่อสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุเหล่านั้น ได้เห็นแสงสว่างนั้นแล้วตถาคตก็บลอเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินตถาคตสามารถทำให้สัตว์ทั้งหลายในแสนโกดโลกธาตุได้ยินได้ด้วยวิธีนี้แลอานน์พอจบพระกระแสพูดทดำรัสท่านพระอนนอุทานออกมาว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีหนอ ซึ่งเราได้พระศาสดามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพใหญ่อย่างนี้พระอุทายีกล่าวขัดขึ้นมาว่าท่านได้ประโยชน์อะไรในเรื่องนี้ท่านอานน์หากว่าพระศาสดาของท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพใหญ่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอุทายีว่า อย่าพูดเช่นนั้นอุทายีถ้าอานน์จะพึงเป็นผู้ยังไม่สิ้นราคะอย่างนี้โมรณภาพไปด้วยความที่จิตเลื่อมายนั้นเธอจะพึงได้เป็นเทวราชาในเทวโลกเจ็ดชาติเป็นมหาราชาในชมพูทวีปนี้เจ็ดชาติแต่ที่แท้นั้น อนุนจากปริญิาผ่านในชาติปัจจุบันนี้จากอังคุตรนิกายติกนิบาทข้อความในพระสูตรนี้ที่แสดงว่ามีมนุษย์อยู่ในโลกอื่นก็คือข้อความตอนที่กล่าวว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงทำให้สว่างไปทั่วทิศ ต, ตลอดที่มีประมาณเท่าใด ในเนื้อที่ซึ่งมีประมาณเท่านั้นมีโลกธาตุจำนวนพันโลกธาตุในพันโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาสิเนรุอย่างละหนึ่งพันมีชมพูทวีปอมรโครยานทวีปอุตรากุรุทวีปปุภาวิเทหาทวีปอย่างละหนึ่งพันมีมาหาสมุทร มีมหาราชอย่างละสี่พันมีสวรรค์หกชั้นและพรหมโลกหนึ่งพันนี้เรียกว่าสหสสีจุลนิกาโลกธาตุคือจักรวาลขนาดเล็กมีพันโลกธาตุจากข้อความในพระไตรปิฎกตอนนี้หมายความว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในโลกของเรานี้หรือที่เรามองเห็นอยู่นี้แคร์สมี สงแสงทำให้สว่างไปทั่วทิศโดยรอบไปได้ไกลแค่ไหนภายในห้วงอวกาศที่รัศมีของพระจันทร์พระอาทิตย์แผ่ไปถึงนี้จะมีโลกธาตุหรือดาวนับประค์ต่างๆอยู่หนึ่งพันและในบรรดาโลกธาตุทั้งหนึ่งพันนี้แต่ละโลกธาตุก็จะมีพระอาทิตย์หนึ่งดวงพระจันทร์หนึ่งดวง มีภูเขาสิเนรุคือภูเขาี่มาลัยหนึ่งมีชมพูทวีปหนึ่งอมรโคยานทวีปหนึ่งอุตรากุรุทวีปหนึ่งปุภาวิเทหทวีปหนึ่งมีมหาสมุทรสี่มีมหาราชสีและแต่ละโลกธาตุก็จะมีเทวดาชั้นจ่าตุมมหาราชหนึ่งชั้นดาวดึงหนึ่งชั้นยามาหนึ่งชั้น ดุสิทหนึ่งชั้นนิมมานารดีหนึ่งชั้นปรินิมิตต ะ, ว, ะวัสวัตดีหนึ่งชั้นและพรหมโลก16เหมือนกับในโลกมนุษย์นี้ทุกอย่างฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูจากข้อความในคำภีนี้และเชื่อว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นพุทธพจน์จริงก็ต้องยอมรับว่าในโลกอื่นในจักรวาลอื่น มีมนุษย์อาศัยอยู่เหมือนกับในโลกนี้แต่จากการพิสูจน์ของนักดาราศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้มากกว่านานแสดงให้เห็นว่าข้อความในพระไตรปิฎกตอนนี้สักแต่พูดหรือกล่าวไปตามตักกะหรือคิดเอาเองจากตัวอย่างในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง หรือไม่เห็นความจริงว่าเป็นอย่างไรเลยและนี่ก็จะได้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าข้อความในพระไตรปิฎกนั้นแม้ในคำทีจะบอกไว้ชัดว่าเป็นพุทธพจน์ก็เชื่อถือไม่ได้ว่าเป็นพุทธพจน์จริงอาจจะเป็นเรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งเรียบเรียงขึ้นภายหลังแล้วก็บอกว่าเป็นพุทธพจน์ เรื่องที่ไม่น่าเชื่อในธํานองนี้ยังมีอีกหลายสูตรในพระไตรปิฎกมีโอกาสก็จะรวบรวมนำมาให้ดูในภายหลังขอให้สังเกตว่ายังมีข้อความอีกตอนหนึ่งในพระสูตรนี้ที่แสดงว่าผิดจากความเป็นจริงคือข้อความตอนที่กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุ ซึ่งยาว8ป4 0 0โยชน์กว้าง 84,000 พโยชน์ยังลงในมหาสมุทร 84,000 โยชน์สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป 84,000 พโยชน์คือสูงจากระดับน้ำทะเล 84,000 โยชน์มีการบางครั้งบางคราวที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีและอื่นๆ ซึ่งข้อความอันนี้เคยยกมาอ้างครั้งหนึ่งแล้วและเพราะเหตุที่ในพระไตรปิฎกมีข้อความดังกล่าวมานี้ทระพุทโธโคสาจารย์ผู้เขียนคำภีวิสุทธิมักจึงได้บรรยายไว้ในคำภีที่ท่านเขียนไว้ว่าขนาดจักรวาลเช่นโลกของเรานี้จักรวาลหนึ่งยาวประมาณ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งล้านสองสยสบโยชน์กว้างประมาณหนึ่งล้านสองสยสบโยชน์ด้านยาวกับด้านกว้างเท่ากันวัดโดยรอบประมาณสามล้านหหนึ่งสหบโยชน์ความหนาของแผ่นดินในจักรวาล น, นั้นแผ่นดินนี้กล่าวโดยความหนามีประมาณถึงเท่านี้ คือสอง0สมืยอดขนาดความหนาของน้ำรองแผ่นดินสิ่งที่รองแผ่นดินนั้นก็คือน้ำอันตั้งอยู่บนลมโดยความหนามีประมาณถึงเท่านี้คือ4800 0 0ื่นยอดขนาดความหนาของลมรองน้ำลมพัดขึ้นฟ้าเพราะพัดดันขึ้นข้นขางบนจึงทานน้ำไว้ได้ สูงขึ้นไปประมาณ 960,000 ยอดนี่เป็นความตั้งอยู่แห่งโลกโลกลอยอยู่ในอากาศได้เพราะลมช่วยพยุงไว้ขนาดภูเขาซิเนรุและต้นไม้ประจำทวีปอันหนึ่งในจั ก, กรวาลที่ตั้งอยู่อย่างนี้นั้นมีภูเขาซิเนรุอันเป็นภูเขาสูงที่สุดยังลึกลงไปในมหาสมุทร แปดหมื่นี่พันยอดสูงขึ้นไปบนฟ้าก็มีประมาณเท่ากันนี้ภูเขาทั้งหลายคือภูเขายุคันทรภูเขาอีสินทรภูเขากระวีกะภูเขาสุทัศนะภูเขาเนวินทระภูเขาวินาตกะภูเขาอาัสการณ์อันตรการไปด้วยรัตนะหลายหลากราวกับภูเขาทิพย์ อย่างลงไปในมหาสมุทรและสูงขึ้นไปบนฟ้าโดยประมาณกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ความสูงของภูเขาซิเนรุลงมาโดยลำดับภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดนั้นตั้งอยู่โดยราบภูเขาซิเนอรุเป็นที่อยู่ของจารุมมหาราชเป็นที่ที่เทวดาและยักษ์อาศัยอยู่ภูเขาหิมวาวะ คือูเขาที่มีหิมะสูง500ยยดยาวและกว้าง 3,000 ยนดคือด้านกว้างและยาวเท่ากันประดับไปด้วยยอดถึง 84,000 ยอดต้นชมพูคือต้นว่าซึ่งมีชื่อว่านะคะวัดโดยรอบลำต้นได้15ยอดลำต้นสูง50ยอดและกิ่งแต่ละกิ่งก็ยาว50ยอด แผ่ออกไปวัดได้ร้อยยน์และสูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้นด้วยอนุภาพของต้นชมพูนี้แหละทวีปนี้จึงได้มีชื่อปรากฏว่าชมพูทวีปข้อความที่กล่าวมานี้ท่านได้บรรยายไว้ในเรื่องพุทธคุณตอนเทศที่บายเรื่องโลกะวิทูและต้องถือว่าเรื่องราวทั้งหมด ที่เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องจักรวาลและเรื่องภูเขาต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นมติของพระพุทธโคสาจารย์โดยเฉพาะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้และที่ท่านกล่าวไว้เช่นนี้ก็โดยอาศัยมติที่พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วซึ่งจะเห็นได้จากข้อความที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ ต้นจิตรปาตลีคือต้นแคพอยซึ่งเป็นต้นไม้ประจําพบของพวกอสูรก็มีขนาดเดียวกันกับต้นว่านี้คือความสูงความยาวของกิ่งขนาดลําต้นก็เท่ากับต้นว่านี้ทุกอย่างต้นสิมพลรีหรือต้นงิ้วของพวกครุฑต้นกระธรรมพระหรือต้นกระทุ่มในอมรโคยานทวีต้นกับปะ หรือการะระพรึกในอุตระกุรุทวีปต้นเิรีสะหรือต้นซึกในปูพาวิเทหะทวีปต้นปาริฉัตตะหรือต้นทองหลางในดาวดึงก็มีขนาดเดียว ก, กันกับต้นว่าในชมพูทวีปนั้นทุกอย่างเพราะเหตุนั้นแลท่านโบราณาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าต้นไม้ประจำภพและทวีป คือต้นปลาตรีต้นสิมพลีต้นชมพูต้นปาริชัตตะของพวกเทวดาต้นกระทำพะต้นกับปะและต้นที่เจ็ดคือต้นซิริสะภูเขาจักรวาล น, นี้ยังลึกลงในมหาสมุทรแปดหมื่นสองพันยอสูงขึ้นไปบนฟ้าก็เท่ากันนี้ภูเขาจักรวาล น, นี้ ตั้งล้อมโลกธาตุทั้งสิ้นนั้นอยู่ข้อความที่ท่านอ้างว่าเป็นคําของพระโบราณอาจารย์มีเพียงเท่านี้และขอให้สังเกตว่าคําว่าภูเขาจักรวาล น, นั้นไม่ได้หมายถึงภูเขาซีเนรุและภูเขาที่ล้อมรอบภูเขาซีเนรุแต่หมายถึงภูเขาที่ตั้งอยู่ริมขอบจักรวาลโดยรอบอันหนึง่ง พระพุทธโคาสาจารย์ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไว้อีกดังนี้